ในบทที่เราสวดพุทธานุสติที่บอกว่าเกียรติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าได้ฟุ้งไปแล้ว อ, อันนี้เป็นบทเกี่ยวกับในเรื่องที่เราสาธยายกันทั่วไปนะว่าเวลาร ะ, ะลึกถึงพุทธานุสติก็คือตามระลึกถึงคณของพระพุทธเจ้า เวลาก็สนทนากันเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมีเจ้าริชวีในแวกแขนาวดวชีเวาลารวมกลุ่มกันก็ก็จะคุยกันว่าแม้พอเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นพระพุทธเาเนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชา8จ 15, ารณาสิบห้าก็จะสนทนากันอย่างนี้นียเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเงี้ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วดึงต้นเวลาเขาสารเสริญคุณของพระเจ้าเนี่ยว่าพระเจ้าเนี่ยทรงทงเป็นผู้ anz, ผ anz, ผทําลายราคะโทสะโมหะได้แล้วทรงทาลายมานะได้แล้วแล้วก็ทําลายเสี้ยนน้ําคือกิเลสได้แล้วก็ แล้ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ทรงจำแนกวิเศษทรงจำแนกเฉพาะซึ่งธรรมรัตนะและก็ทรงธรรมที่สุดแห่งภพทั้งหลายมีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วพุทธเจ้าเนี่ยทรงซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมะหรือป่าที่อันส ง, งัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกันกึกก้องปราศจากชนบุสัญจรไปมาเป็นผู้ที่ควรทำกรรมนี่ ควรแก่การวิเวกทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณค่อนข้างเยอะฌานเออยาประมัญญาเออยารูปสมาบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาและเจรณนะเป็นผู้เสด็จไปดีคําว่าเสด็จไปดีเนี่ยก็หมายความว่า ทางดำเนินที่พระเจ้าทรงเสด็จนั้นก็เรียกมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมคำว่าเสด็จไปดีอย่างก็คือหมายความว่าพระองค์ไม่เอียงเข้าไปหาในการมัสุขานิโยคและอัตากิรมมานิโยกคือการดําเนินไปตามมัชชิมาปฏิปทานี่เรียกเสด็จไปดีและอีกอย่างหนึ่งยังว่าเสด็จไปสู่จุดหมายที่ดีด้วยคือจุดหมายที่พระองค์เสด็จไปก็คืออนุปาทาปริณีพานการเสด็จไปสู่จุดหมายที่ดีคืออนุปาธาปริณีพานก็ไม่กลับมาเกลือกลัวกิเลสและกองทุกข์อีก นี่เขาเรียกเสด็จไปดีแบบนี้ทางดําเนินของพวกเราเนี่ยไปไม่ดีเราไปหน้าที่ไหนก็ไปเกือกกลัวกิเลสบ้างกองทุกบ้างไปทําบาปบ้างอะไรบ้างเนี่ยทางดําเนินของพวกเราจึงเป็นทางดําเนินที่ไม่เป็นมชิมาปฏิปทาเป็นทางดําเนินที่ไม่ดีพวกเราจึงไม่ได้เป็นสุคโตเลยดังนั้นเวลาเรานึกถึงพุทธคุณบทนี้สุคโตเป็นผู้เสด็จไปดีเนี่ยเราก็บอกว่าข้าพเจ้าก็จะดําเนินตามขนทางที่พระเจ้าทรงดําเนินนั้น พระเจ้าดําเนินไปสู่จุดหมายที่ดีคือพระนิพพานคืออนุปาทาบริณิพานเราก็จะดําเนินไปตามท่านเหมือนกันเพื่อเข้าถึงอนุปาทาบริณิพานนั้นแล้วพระองค์เมื่อดำเนินไปถึงอนุปาทาบริณิพานแล้วพระองค์ไม่กลับมาเกลือกลัวกิเลสและกองทุกข์อีกเนี่ยอย่างนี้เขาเลิกเสด็จไปดีจริงๆนะซึ่งผิดกับบุคคลทั้งหลายหรือกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสุขติบ้างทุกติบ้างวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยทางที่ดําเนินไปหรือจุดหมายที่เราไปนั้นะไม่ดีเลย ในส่วนจริงเราก็กลับเกลือกลับมาเกิดกลัวกิเลสอี ก, กเกิดกิดลัวของทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยทางดําเนินของพวกเราเป็นแบบนี้พอเราสวดแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยมันนึกถึงตนเองนะให้คิดถึงตนเองว่าเราเหมือนคําว่าอารหังเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเรานึกถึงพุทธคุณใช่ไหมเราก็ต้องคิดถึงตนเองว่าเราก็จะต้องเป็นพระอรหันต์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้สัมมาสัมพุทธโธพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองใช่ไหม ก็คือตัดสู้ชอบได้ตนเองก็สามารถสอนให้บุคคลอื่นเนี่ยให้ตัดสู้ด้วยข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธเป็นพุทธโธตามพุทธเจ้าให้ได้เงี้ยนะวิชาจารณะสัมปันโนพุทธเจ้าถึงพร้อมได้วิชา8จารณะสิบ้าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้ได้วิชาและจารณะตามพุทธเจ้าให้ได้วิชาเป็นชื่อของปัญญาจารณะเป็นชื่อของความประพฤติเห็นไหมวิชา8คือ อิทธิวิธีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจนถึงปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวะขยญาณนี่คือวิชาใช่ไหมจารณะก็คือกลุ่มศีลกลุ่มอินทรี์สังวรกลุ่มกลุ่มฌานกลุ่มสมถะทั้งหลายเหล่านี้เป็นมีจารณะได้แต่จะไม่บริบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าแต่จารณะต้องมีวิชาต้องมีเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่บริบูรณ์ไม่ไม่วิจิตรอลังการลเท่าพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจอย่างนี้น จรารณาก็คือศีปลปฏิโมกกับสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลเป็นต้นตลอดถึงปฐมฌานทาาุติยฌานตติยฌานจะเดินแต่ฌานนี้ยกูพวกเนี้ยเนี่ยเราต้องฝึกตนเองไงพระเจ้ามีวิชา8ดมีจรารณาสิ้าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้ได้วิชาให้ได้จรารณาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แต่ระบบเวลาสวดก็สวดอย่างนี้คิดถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในพระองค์แล้วก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณธรรมของพระองค์ด้วยเถิด มีส่วนในคุณธรรมของพระเจ้านั้นด้วยเวลาสวดเขาสวดอย่างนี้ไม่ใช่แค่สวดก็โหพระเจ้าสุดยอดแต่เราสุดแย่เงี้ยก็ไปเรื่อยเลยตัเนี้ยเข้าใจยังพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆแต่เราแย่ลงแย่ลงมันได้ห่างกันเรื่อยเลยตัเนี้ยพระเจ้าไปอีกทางเราก็ไปอีกทางก็งมานั่งสวดสรรเสริญกันอยู่นี่แหละไม่ต่างอะไรกระกบเขียดใช่ไหมละ่ะก็ใช่ไง แน่นอนต้องอย่างนั้นมันต้องรู้ทีถ้าเขาถึงห้ามไม่รู้ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่รู้อย่าพึ่งขยันนี่แหละนะต้องรู้ต้องรู้ฉะนั้นเนี่ยวิชาจาริญสัมปันโนเห็นไหมสุขโตก็แปลว่าพุทธเจา้าเนี่ยสเสด็จไปดีแล้วก็คือคําว่าสเสด็จไปดีก็คือสเสด็จไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาาิชาสัมมากามมันต๊ะ สัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิข้ Gloria, าพเจ้ at, าก็จะดําเนินไปดีตามเนี้ยตามพระพุทธเจ้าดําเนินไปนี่แหละแล้วพระพุทธเจ้าดําเนินไปสู่จุดหมายที่ดีไหมคืออนุปาทาปรินิพานเนี่ยเราก็จะดําเนินไปสู่อนุปาทาปรินิพานตามตามพระพุทธเจ้าให้ได้คําว่าไปสู่จุดหมายที่ดีก็คือพระองค์ไม่กลับมาเกิดกลัวกิเลสและกองทุกข์อีกข้าพเจ้าก็จะดําเนินชีวิตไปถึงอนุปาทาปรินิพานจะไม่กลับมาเกิดกลัวกิเลสและกองทุกข์ตามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าดําเนินไปที่ไหนเนี่ยที่ตรงนั้น นำแต่สิ่งดีๆไปให้ไหมนำศีลนำสมาธินำปัญญานำศรัทธานำวิริยะสติสมาธิปัญญาไปให้เขาเนี่ยการเสด็จไปดีเสด็จไปอย่างนี้ไปหน้าที่ไหนก็ยังความร่มเย็นให้ถึงที่นั่นทั้งหมดเราก็จะดําเนินชีวิตของเราไปหน้าที่ไหนจะไม่เราก็จะสิ่งดีๆไปแจกเขาเหมือนกันเราจะตามพระเจ้าเราจะดำเนินตามรอยท่านนี่แหละไปที่ไหนเราจะทานกุศลไปบอกเขาศีลกุศลไปบอกเขาภาวนากุศลไปบอกเขาไปที่ไหนเราจะไปบอกเขาให้เขามีศรัทธาเขามีความเพียรเขามีสติเขามีสมาธิให้เขามีปัญญาเป็นต้น ไปที่ไหนเราจะไปให้เมตตากรุณามุมิตาอุเบกขากับเขาเนี่ยไปที่ไหนเราจะทานศีลปิยาวาจาอัจริยาเป็นต้นเนี่ยคือดําเนินไปดีอย่างนี้พุทธิย่าเสด็จไปที่ไหนก็ไปแจกอย่างนี้เขาเรียกเสด็จไปดีเขาใหญ่าังยั ง, ยงเราเนี่ยดําเนินไปที่ไหนดีไหมไปไปถึงที่ไหนโอ้ไปทําความเดือดร้อน <laughs> ไม่ดีค่อยดีเลยเใช่ไหมเราดีไมด่ดีไปเห็นใครขึมาโกรธเป็นีก เราดําเนินไปไมื่อยดีเข้าใจอย่างตัวเนี้ยคําว่าสุขโตเนี่ยเห็นไมพระพุทธเจ้าไปที่ไหนร่มเย็นหมดเลยยังความร่มเย็นอย่างศีลอย่างสมาธิย่างปัญญาอย่างประชาสัตว์เสด็จไปไหนที่ไหนปุ๊บเนี่ยคนใครคนได้ให้ทานคนได้รักษาศีลคนได้ประพฤติปฏิบัติโอ้ยเสด็จไปดีจริงๆมีแต่สิ่งดีๆไปหงดเลยเรานี่ดําเนินไปที่ไหนเป็นแบบนั้นไหมไปที่ไหนก็ทะเลาะกับเขาที่นั่นกันไป ไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมเห็นไหมวาสวด ส, สุขโตมันชัดงี้ไหมอะโลกวิทูโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะสัตว์โลกโกกาสโลกสังขารละโลกคือรู้สัตวโลกเนี่ยสัตว์มีประมาณเท่าไหร่พยานิและวิญญาตก็มีประมาณเท่านั้น โลกาสโลกโลกธาตุมีเท่าไหร่พยานของพระุทธเจ้าก็มีเท่านั้นโลกธาตุกับพยานพระเจ้ามีความก้ามกึงซึ่งกันและกันแล้วก็สังขารมีเท่าไรพระพุทธเจ้าก็ทรงทงทงตลอดสังขารเท่านั้นเป็นโลกวิถีข้าพเจ้าก็จะดําเนินชีวิตจิตใจนะปัญญาตัวแดงให้ให้เข้าถึงโลกวิถีตามพระพุทธเจ้าด้วยก็คือให้รู้แจ้งรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงเสีทีเราไม่ได้มีโลกวิถีไม่มีส่วนหนึ่งโลกวิถีเลยในพวกเราเนี่ย นั้นต่อไปเราจะมีส่วนแห่งโล ก, กวิธูเราจะได้รู้ความเป็นจริงของรู ป, ปขั น, นเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณจะได้มีส่วนแห่งการรู้จากขูปัสสาตตาปัสสาคณะปัสสา ท, าาทิวหาปาัสสากายะปัสสาจะได้มีส่วนแห่งการรู้อายตนะรู้จักธาตุรู้จกัจกขันาธาตุอายตนะปฏิจจสมบัติทั้งหลายเหล่าเนี้ยเห็นไหมรู้โลกเหล่านี้ตามความเป็นจริงสัทีเราจะได้ได้โล ก, กวิธูสัทีได้แจ่มแจ้งชัดไหมอย่างเงี้ยนี่ตอนเราสวดกันไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนี้บ้างเลยหรือ อ๋อ <AL> เป็นความผิดของครบาจัมันเป็นอย่างนี้นะคำรู้กับวิทูลแล้วเวลาไปสวดโลกวิทูเป็นผู้รู้ทิศโลกอย่างแจ่มแจ้งจบแค่นั้นทั้งภายในและภายนอ ก, ล, นอกลองยิ้นะว่าการที่เราไปนึกถึงคนอื่นเนี่ยพอเราไม่มีโลกวิทูเนี่ยเราก็ไปติดสมมติบัญญัติไหมติดไม่ติดๆๆ เห็เราไม่เข้าใจสัตวโลกตามความเป็นจริงสัตวโลกที่สมมุติว่าพ่อสัตวโลกที่สมมติว่าแม่สัตวโลกสมมติว่าลูกสัตวโลกว่สมมุติว่าเปรตอสุรกายสแตนชันเนี่ยเนี่ยเราไม่เราไม่ไปรู้ตามความเป็นจริงเราไม่ฉลาดในบัญญัติเลยอ่ะพอไม่ฉลาดในบัญญัติแล้วก็ไปโกรธกับบัญญัติบางบัญญัติที่ไม่ควรไปโกรธเห็นไหมเราไม่ฉลาดกับเขาก็ปฏิบัติต่อบัญญัตินั้นไม่ถูก อย่างเช่นไม่ไ ม, ไม่พอไม่มีโลกวิทูเนี่ยเช่นว่าปฏิบัติต่อญาติก็ไม่ถูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ยา่าตายายานี่เป็สัตว์โลกหมดเลยใช่ไหมโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยแต่ถ้ามีโลกวิทูมีปัญญายาณก็ไปเห็นตามความจริงแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกนี่มันเพี้ยนเลยนะบางคนเหมือนกับเป็นเพื่อนปฏิบัติต่ อ, เ พ, อเพื่อนไม่ถูก เป็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ถูกเป็นลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ถูกเป็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกไม่ถูกเป็นอาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์ไม่ถูกเป็นศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์ไม่ถูกเป็นพระปฏิบัติต่อประชาชนไม่ถูกประชาชนปฏิบัติต่อพระไม่ถูกโอมันมันไม่เข้าใจคําว่าสัตวโลกใช่ไหมโลกคือหมู่สัตว์มันก็แยกไม่ออกนี่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายเวลาจะให้ทานมางคนกลักแต่สุนัขมากกว่ามนุษย์นีมันแยกไม่ถูกเพราะปฏิบัติต่อสัตวโลกไม่เป็นแยกแยกลําดับความสําคัญไม่เป็น ม อ, ม, นะ ม, ม, มองเห็นไหม่ะรักแมวมากมองเห็นไหมสําคัญไม่รอกระวิฑูที่นี้เอาเจาะเข้าไปถึงสภาวะเป็นสังขารและโลกโรคคือสังขารบรรดาสังขารทั้งหลายรูปธรรมและนามธรรมารูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเจาะไม่ถึงอีกว่าสังขารเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามองไม่เห็นเลยนี่รอกวิฑูถึงนั้นนละย พระพุทธเจ้ารู้ทะลุทะลวงหมดเลยเราก็จะต้องฝึกยานปัญญาตัวเด้งให้มองโลกวิูีนี้ให้เห็นโลกตามความเป็นจริงเสีทีใช่ไหมเพราะเราไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็หลงโลกก็จะคนหลงโลกอาโอกาสเสโลกหมาหลงโลกมนุษย์บ้างหลงเทวโลกบ้างในเรรดาโลกคือโลกคือแผ่นดินโลกคือจักรวาลทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดแต่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดแต่ว่าเราจะต้องฉลาด ว่าโลกใบเนี้ยมันเป็นมันยังไงมันไม่ใช่ของเราอย่างไงแต่เราก็มายึดว่านี้วันที่เราที่เป็นต้นเห็นไหมแก่คนหลงโลกหลงโอกาสโลกฉันมีที่เท่านี้ฉันมีที่แถวนี้ฉันมีที่แ่านี้ก็หลงโลกไหมหลงโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินโลกในแผ่นดินเนี่ยมันเป็นของคนทุกคนนั่นแหละพอมาตั้งกติกากันแล้วหลงโลกเลยแถวนี้ยติดบัญญัติไม่เข้าใจคำว่าโลกวิถูชัดเลยไม่เข้าใจโอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน เราจะยังเนี่ยคือโลกวิทูเป็นแบบนี้ฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยรู้ทั้งสัตวโลกโอกาสโลกแล้วก็สังขารละโลกเราก็จะฝึกยานปัญญาตัวเองให้เข้าไปรู้ความจริงในโลกทั้งสามนี้ให้ได้พระสวดแบบนี้นะโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง พระเจ้าก็จะรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งตามพระบรมศาสดาให้ได้ชัดหรือยังแล้วก็อนุตตโภพุริสธรรมมาารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพร้อมยังพร้อมที่จะให้พระเจ้าฝึกเราหรือยังฝึกจากคนที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาเราเป็นคนฝึกง่ายหรือฝึกยากง่ายหรือยากยากเนาะ พระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นคนมีความสามารถมากขนาดช้างเนี่ยสติเรศฉานพระเจ้ายังฝึกให้มีศีลได้เลยใช่ไหมช้างนาราคิลิงเนี่ยใช่ไหมนับตั้งแต่ที่เจอพระบรมศ า, ศาสดาช้างเชือกเนี้ยถือศีลห้าตลอดชีวิตไม่เคยผิดศีลอีกเลยนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปโอ้โหขนาดช้างพระองค์ยังฝึกได้แล้วเราเป็นมนุษย์จะฝึกไม่ได้ก็อายช้างแล้วไอ้เงี้ย น, ะนึกเงี้ยนึกอย่างนี้ จริงไหมแม่งไอช้างขนาดมนุษย์ขนาดสเดชานพระเจ้ายังฝึกได้เลยพยานนาคในเวลาพระเจ้าโปรดพยานนาคถือศีลห้าตลอดชีวิตเลยนี่สเดชาญนั่งนั้นนะโอ้ขนาดคนกรักขาที่สุดเลยนะอาราวะกยักษ์เนี่ยกรักขามากเลยดุดันมากพระเจ้ายังฝึกได้เลยใช่ไหมคนกรักกรักนนั้นองค์ุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่พระเจ้ายังฝึกได้เลยว่างั้นเถอะเนี่ยระดับแบบประเภทที่ คนดูดูเข้มเข้มเกรียมเกรีย ม, มนั่นย่งแล้วเราอะบอกเราเป็นคนฝึกได้ท่านอย่าโลเลก็แล้วกันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พร้อมพสอสวดถึงนี้เข้าไปเจ้าพร้อมแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้ารับการฝึกเต็มที่เลยวันนี้เต็มที่ไหมแล้วก็ศรัทธาเทวมนุษสานางพระเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ช นี่เราก็เชื่อมัน่นพุทธโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะฝึกต น, นเองให้เป็นาาพุทธาตามพระเจ้าให้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นจากกิเลสเบิกบานพระควาติเป็นผู้มีความจำเหลืนี่พุทธแจกพระเจ้ า, าพระควาศัพท์เนี้แปลว่าแจกแจกอะไรแจกธรรมะแจกรันนนตรนะเนี่ยสวดแต่ละบทก็ไปเงี้ยนะทีนี้พอมาพุทธาพิกิริงก็ พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐองอาหารหันต์แต่คุณเป็นต้นคำว่าอาทีต่ตรง น, นั้นนะนะพุทธวาลหันตวา่า พ, พุทธพุทธะเนี่ยที่เนี่ยที่คุณนะเนี่ยที่ศัพท์เนี่ยแปลว่าเป็นต้น อละหังสัมมาสัมพุทธโววิชาเจารณาสัมปันโนสุขโตรอภิทูย้อนกลับไปอีกเลยเนี่ยเนี่ย้นยอนกลับไปมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือพระุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะมีความประเสริฐแห่งอรหรันตแต่คุณเป็นต้นเราบอกพอเป็นต้นกันนี้เราไม่ต่อกอันแล้วแต่นี้ยดอกใบไม่เอาแล้วเอาจะ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เป็นต้นเ <laughs> ยอะมากแล้วก็จะเป็นกันอย่างนี้ไหมไปแล้วพอบอกไอ้ที่ปยานไว้เนี่ยไม่ตาม แล้วก็ทําตามดังนั้นแล้วก็ไม่คิดต่อยิงไม่ยิงได้มากแล้วก็เป็นแบบนี้สุดท้ายพิยานะกรุณาหิสามาคตัตต่อพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพยานพระกรุณาอันบริสุทธิ์นพระเจ้าจะมีสองส่วนนะหนึ่งพยานกับพระกรุณาต้องมีความกั้มกึง่งมีความสมดุลกันได้ดุญยภาพถ้ากรุณามากญานนะหรือปัญญาน้อยจะเป็นยังไง ถ้าการุณามากปัญญาน้อยจะเป็นยังไงก็กรุณาคนอื่นพอกรุณาคนอื่นมากๆแล้วไม่ได้ตัดสู้สักทีถ้าปัญญามากกว่าการุณาไม่สนใจคนอื่นเลยทั้งตลอดดีกว่านั้นะปัญญากับกรุณานั้นต้องได้ดุลยภาพถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรงนี้สําคัญมากเลยนะถ้าจะเข้าใจคําว่าพุทธคุณในชัดเนี่ยนั้นพระพเจ้าจะต้องทํากรุณาและปัญญาให้ได้ดุนยภาพตลอด ถ้าอย่างนั้นถ้ากรุณามากก็จะโอ้โหไม่พัฒนาปัญญาขึ้นมาก็มีแต่กรุณาช่วยคนใช่ไมไม่จบไม่สิ้นทั้งตลอดเป็นพทธเจ้าไม่ได้ถ้าปัญญามากกว่ากรุณาก็จะเป็นปัจเจกับพุทธะจะไม่ไม่เป็นสัมมาสัมพุทธาได้เนี่ยคาว่าพทธเจ้านั้นมีทั้งพยานและพระกรุณาบริสุทธิ์เนี่ยมีมีดุญยาภาพสูงมากนี่ผิดกว่าพุทธ ผิดกว่าปเจกับพุทธะและสาวกะาพุทธะฉะนั้นสัมมาสมพุทธะจึงประเสริฐและเลิศที่สุดในบรรดานพุทธะทั้งหลายด้วยอาการที่มีคั้งการุณาและญาณนาัมีความมีดุญยภาพมีสมตาสูงมากนี่พอนึกอย่างนี้เราจะได้เห็นคุณงวุรยเจ้าชัดกพราะจะการุณาคนอื่นอยู่ล้ำไปปัญญาไม่พัฒนาสักที เพราะว่ามันเอียงไปทางด้านกรุณาเกินไปความตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอุบายในการจะตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าการจะแทงตลอสัจจะเป็นพุทธเจ้าก็ไม่ถึงสักทีก็บำเพ็ญบารมีแล้วไม่ได้เป็นพุทธเจ้าสักทีเข้าใจยังผ่านไปแล้วผ่านไปอีกผ่านไปแล้วผ่านไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าขอพ้นทุกข์เป็นคนสุดท้ายนั่นแหละมาเนั้นกรุณานมากมันจะมันจะเอียงไปอย่างนั้นต้องระวัง เพราะปัญญาไม่มาดุลไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอกรุณามากเนี่ยเลยทำอะไรเนี่ยด้วยการขาดขาดปัญญามาค้ำไว้บางทีก็เลยผิดพลาดเลยเพราะไม่มีปัญญามาค้ำจุนไว้บางทีช่วยผิดๆก็เอาอะไรก็เอามันก็ไปใหญ่แล้วแต่นี้มองออกไหมนั้นจะต้องมีปัญญามาดุลไว้ทีนี้ถ้าหากพัฒนาแต่ปัญญามากๆขึ้นมาความการุณในหมู่สัตว์น้อยก็อีกทาไง วิบลุ้ที่กว่าก็เป็นปัจเจกพุทธะเลยเป็นตนโอ้โหก็ก็พระปัจเจกพุทธเจ้าเยอะหมดเลยบางทีมาตัดสู้แต่ละทีพร้อมๆกันห้าร้อยองค์ก็มีพันองค์ก็มีอย่างเงี้ยเป็นพระปัจเจกหมดเลยนี่คือปัญญามากกรุณาน้อยกลุ่มเนี้ยกลุ่มปัญญามากเกิดเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นคนที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแล้วหลุดเป็นปัจเจกพุทธะเนี่ยเยอะหมดเพระาะไอ้กรุณาหลุด เพราะไม่ได้ดุลยภาพระหว่างกุณากับปัญญานี่แหละโอ้โหมันน่าเบื่อนะไม่ไหวอ่ะมันดูดูแลไม่ไหวจริงจริ ง, รงการจะช่วยมนุษย์เนี่ยต้องประกาศหลักการต้องอดทนต้องอะไรอีกเยอะมากต้องบาเพ็ญบา ร, รมีอีกเยอะไม่ไหวแล้วขอไปก่อนแล้วเนี่ยห ล, ดลุดเลยถึงบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยนานๆจะได้ได้ได้เหตุได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้อุบัติเกิดขึ้นมาสักองค์หนึง่ง พระบาเจย์พระพุทธเจ้าไม่สามารถบอกให้เราตัดสู้สัจจะได้นะแต่เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลกรรมบทได้ทําให้เราไปสุคติได้เท่านั้นเนาะทำให้เรามีอัธยาศัยที่จะบรรลุที่พระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนนะได้เท่านั้นหละแต่ท่านไม่สามารถประกาศสัจจะตามอัธยาศัยแล้วได้เพราะท่านไม่มีอายสันุสยญาณไม่มีอินทรียโปรปริติญาณไม่มีมาหากรุณาสมาปฏิญาณไม่มียะมากาปริหาริญาณด้วยนะ ไม่มีอนาวาราญาณญยานไม่มีสพยุตยา น, นยาใช่ไหมอาสาทนายานหกมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพระสมาสุริยเจ้าเท่านั้นนั้นยิ่งเจาะไปเราจะยิ่งเห็นว่าพวกคุณของพระเจ้านี่มหาศาลมากต้องทนต่อพวกเรามากทนต่อหมู่สัตว์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมากเลยแล้วบางทีก็ปทุสลายท่านมาไม่รู้เท่าไหร่เราในปทุสลายพระโพธิสัตว์มาไม่รู้เท่าไหร่เบียดเบียนโพธิสัตว์มาไม่รู้เท่าไหร่ คือไม่เห็นคุณท่านไม่รู้จักท่านตำหนิท่านเยอะแยะหมดเลยประทุษร้ายท่านมาในสังสารวัดเนี่ยมากแล้วก็ประพฤติผิดต่อพระธรรมต่อพระรัตนตรัยมากมาจริงๆนี่เป็นอย่างนี้โพเทศโยสุชาตังกัลบางวสูรพระองค์ใดทรงกระทชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตทรบัวให้บานพระพระเจ้าเนี่ย เหมือนดวงอาทิตย์พระธรรมที่พระองค์แสดงเหมือนแสงแสงอาทิตย์พวกเราทั้งหลายเหมือนดอกบัวการที่ดอกบัวเนี่ยรับแสงอาทิตย์เนี่ยถึงบานได้แม้ฉันใดเราทั้งหลายที่มีปัญญาญาณเข้าไปเห็นความจริงได้เนี่ยก็เพราะอาศัยแสงคือธรรมะแสงพระธรรมจากพระโอษฐของพระเจ้านี่ยานพระองค์จึงมีพระคุณมากที่เรารู้จักกุศลอกุศลรู้จักบุญจากบาป รู้จักทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลรู้จักคุณพ่อคุณแม่รู้จักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเหล่านี้ยถ้าไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วบอดสนิทเลยบอดสนิทเลยแ ล, แล้วเราจะไม่เป็นดอกบัวที่มันเป็นอาหารของเต่าปลาอยู่ล่างไปแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็บานไม่ได้เพราะไม่มีแสงสว่างไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีแสงพวกเราก็กลายเป็นดอกบัวที่มันไม่บาน กลายเป็นคนไม่มีปัญญาญาณไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคุณมหาศาลมากๆ ก, ก็คือเหมือนแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตและพืชพันธุ์นานาพันธุ์ทั้งหลายในโลกใบนี้แม้ชั้นใดการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นดวงตาของโลกเลยถ้าการการดับไปของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับความมืดมิดของดวงดวงดวงดว ง, ดวงอาทิตย์ เหมือนกับดวงตาที่อยู่ดีอยู่แล้วมืดสนิทไปเหมือนนั่นแหละเป็นขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นก็บว่าเป็นดวงตาของโลกเลยนะพระุทธเจ้าเนี่ยถ้าว่าเป็นดวงตาของโลกก็คือว่าเป็นปัญญาของหมู่สัตว์เพราะการอุบัติเกิดขึ้นกับพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้ปัญญาให้ให้ทำให้เราได้แสงสว่างคือปัญญาอุบัติเกิดขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าไหว้พระเชษนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว คำเสียนกล้าวนี้ก็คือเป็นการเคารพอย่างแท้จริงนั้นมอบพระเจ้าพระองค์ใดเป็นสาธาะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าไหว้พระเจา้ า, จานั้นอันเป็นที่ตั้งความลึกองค์ที่หนึ่งโดยเสียนเกล้าเนี่ยข้าพเจ้าเป็นทาสของพระุทเจ้าพระเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าได้อธิบายแล้วเนาะเนี่ยยอมเป็นทาสก็เพราะว่าเป็นทาสของสัมมาสัมพุทธะเนี่ไม่ใช่เป็นทาสของบุคคลแต่เป็นทาสของปัญญาที่ตัสรู้อริยสัจสี่นะ เรายอมเป็นทาตตรงนั้นเรายอมเป็นทาตของปัญญาเรายอมเดินตามปัญญาเรายอมรับใช้ปัญญาเรายอมปฏิบัติตนตามปัญญาที่จะเข้าไปรู้ความจริงตามอริยสัจสีเพราะต้องการประกาศตนเองเปลืองตนเองออกจากความเป็นทาตของกิเลสเนี่ยเรายืนยันตรงนั้นเราเห็นสภาวะของสัมมาสมัมพุทธาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดทุกข์เป็นสภาวะกําจัดทุกข์ ทรงไว้ซึ่งทั้งประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแกครับพ่เจ้าทรงไว้ทั้งอัตถะประโยชน์ตนส่งไว้ทั้งประโยชน์บุคคลอื่นและทรงไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นทั้งประโยชน์แนวตั้งและแนวนอนนะแนวตั้งก็คือทั้งประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นและประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานนี่แนวตั้งนะแนวดิ่งทั้งแนวนอนประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นและประโยชน์ร่วมกัน เนี่ยพระริยาเนี่ยทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่เราทั้งแนวนอนทั้งแนวดิง่งทั้งแนวราบและแนวดิ่งด้วยเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เราจริงๆนี่เป็นอย่างนี้เวลาเราบอกโอ้โหพระริยาเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดทุกกําจัดกิเลสและกองทุกให้กับเราได้จริงๆและเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันที่ตาเห็นก็เป็นทั้งประโยชน์ที่เลยตาเห็นลึกล้ําลงไปเลยตาเห็นก็เป็นทั้งประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกก็เป็นอีก และทั้งประโยชน์ตนก็เป็นอีกประโยชน์บุคคลอื่นก็เป็นอีกประโยชน์ร่วมกันก็เป็นพุทเจ้านั้นเป็นประโยชน์ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งนะเ อ, อขนาดนั้นเลยนะทั้งแนวราบด้วยแนวดิ่งมองเห็นไหมเห็นไม่เห็นเห็นภาพแล้วนะขนะ้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่วพระเจ้าถามถ้าไม่มอบให้พระเจ้าจะมอบให้ใครอถ้าไม่มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระเจ้าแล้วจะมอบให้ใครนี่ ไม่มีใครคู่ควรเลยนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยคู่ควรที่จะมอบกายถวายชีวิตคือยอมทําตามยอมทําตามสัมมาสัมพุท ธ, ธะยอมทำตามสัพพัญญุตญาณยอมทําตามอนนันาวรณียานยอมทําตามอินทรียโปรโป ร, รียติยานเพราะท่านรู้จากเราว่าเรายังยอมทึกอย่างข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตัสรูดดีของพุทธเจ้าคือจักประพฤติตามเลยนะข้รอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติและศึกษาและปฏิบัติเลยนะประพฤติปฏิบัติสับเนี่ย มาจากคาว่าวันทันโตหังจริสามิพุทธตเสวะสุโพธิตังโอ้หจะเดินตามเลยเงี้ยเด้อจะเดินตามอะไรจะเดินตามสัมมาสัมพุท ธ, ธะน αι. น αι. เดินตามสัมมาสัมพุท ธ, ธะสราระอื่นของข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสราระอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคํำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในภาษาศาสนาของพระษาสรา ข้าพเจ้าพึงเจริญในศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปพึงเจริญในอริยมรรคมีองค์แปดยิงยขึ้นไปนี่นะเจริญในพระาศาสนาข้าพเจ้าผู้ว่า ย, ยู่ซึ่งพระเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแกข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นคืออะไรอะไรอันตรายอะไรเป็นอันตรายแกเรากิเลสเป็นอันตรายใช่ไหอ ขั look, นห้าก็เป yup. I mean? no. ็นอันตรายเป็นอ uh ุป huh. ัถวะด้วยัาก็คืออันตรายคือขันห้าจงอย่ามีแกข้าพเจ้านั่นแหะจะได้พ้นจากอันตรายที่แท้จริงอันตรายคือกิเลสและขันห้ากองทุกเนี่ยกองทุกเป็นชื่อของเป็นชื่อของขันห้าด้วยอันตรายก็เป็นชื่อของทั้งขันห้าเป็นชื่อของกิเลสกิเลสและกิเลสและขันห้าเนี่ยเป็นอันตราย ตราบใดมีขันห้าอยู่ตราบนั้นยังมีอันตรายอยู่ตราบใดมีขันห้าอยู่ตราบนั้นมีอุปัวะเป็นอุปัทวะเป็นตัวอุบาทขันห้าเป็นตัวอุบาตแต่ไปฆ่ามันก็ไม่ได้นะฆ่าโดยไ ม, ไ, มไม่ถูกวิธีพิษอีกไปไปะทุสลายมันไปนกระโดดเขาตายได้พิษอีกเลยเขาเป็นเป็นอุบาท ต, ตัวนั้นน่อุปัวะอา่ามันสัพีตีโยมันจะคําว่าอิติโต ความจันไหลทั้งปวงจงบำราศไปอิติโตศัพ์นั้นแปลว่าจันไหลขันห้าเนี่ยเป็นความจันไหลด้วยมันนำมาซึ่งภัยนำมาซึ่งทุกนำมาซึ่งความเดือดร้อนเยอะเวลาพระให้พรสพีติโยรซาทุกอย่าขันห้าของท่านจงบำราศจงวิบัติไปอย่าได้เกิดอีกความจันไหลทั้งปวงจงบำราไป โรคทั้งปวงของท่านจงหายขันทโรคเนี่ยโรคคือขันห้าจงจงหมดไปอย่าได้เกิดขึ้นมาอีกนะอย่าได้อย่าได้ปฏิสนธิมาอีกเด็ดขาด น, นะปฏิสนธิมามาอะไรเนี่ยเมื่อ น, นั้นน่ยก่อวัฏทุกขึ้นมาขนาดนั้นเลยเนีเห็นไหมว่ามันมันกลับความเข้าใจเราหมดเลยนะจริงไม่จริงอย่างนี้พูดยังไม่เกีรตใจใครเลยพูดตามว่าทําเลย น, นั่นเองเป็นอย่างนั้นเลย หน้าที่ของวเราเราก็คือกําจัดกิเลสและกองทุกข์ให้หมดอย่าให้มันก่อตัวขึ้นมามักนี่เป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ได้ควนขวายบุญในสมบัตินอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญ น, นะนี้กายเยนวาจาวาจีเยสวัฏด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจกมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าเราทําผิดต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เราทําผิดทุกวันไหมผิดต่อพระรัตนตรัยทุกวันไหม ผิดหรือไม่ผิดหรือไม่เคยทําผิดเลยวันนี้ทําผิดไหมผิดตรงที่ผิดตรงไหนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจยก็ดีกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าในขณะที่เราเกิดกโกรธ เกิดกำหนัดเกิดกินดีเกิดเพลิดเพลินเกิดกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าทําผิดต่อพระราตนะไตรทําผิดต่อพระราตนะไตรเราก็เลยมาตั้งอัตยาศัยว่าต่อไปจะไม่ทําผิดต่อพระราตนตรัยอีกก็คือเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าต่อมาเราก็ถูกกิเลสวงการ เราก็จะไปผิดตรงที่ทุ ก, กิเลสวงการเราอยู่นี่เนี่ยตรงนี้ยเราจึงต้องขอเข้ามาอยู่ลําไปใช่ไหยขออดโทษจากปรราธนาตายอยู่ลําไปนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้อีกแล้วแยกไม่ออกคิดอะไรไม่เป็นบางค่าวก็รู้ไงบางค่าวก็มืดบางค่าวก็โหพิจารณากุศลเกิดดียังอา้าวเดี๋ยวบาปเกิดอีกแล้วนี่ผิดอย่างนี้เนีะลำพิตรปาราธนาตายนี่เป็นอย่างนี้ จบพุทธคุณแล้วมีใครสงสัยเรื่องพุทธคุณไหมพุทธานุสติกับพุทธาพิคิติงเนี่ย mm hmm. ค่อยๆว่าไปวันละนิดละหน่อยล้วทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นเนาะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแล้ mm hmm. เ, เดี๋ยวเรานั่งสงบสงบกันดีไหมต่ mm hmm. อไปจะได้อุทิศส่วนกุศล พอเราเข้าใจในเรื่องของพุทธคุณนะทั้งพุทธานุสติทั้งพุทธาภิคติงชัดแล้วพอเข้าใจบ้างแล้วก็ระลึกเลยทีนี้นะกลับไปทบทวนในการระลึกถึงอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสนึกถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมเครื่องสการาทั Bunny, uh ้งหลายที่มีอยู่ตอนหน้าข้าพเจ้าและเครื่องสการาทั้งหลายอันที่ข้าพเจ้าระลึกได้ทั้งหมดขอน้อมบูชาพระอรหันตคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นพระอรหันตความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะไกลจากมานะไกลจากทิฏฐิไกลจากวิจิกิจฉาไกลจากอหิริกาโนตปะอุทะจัก ไกลจากกายทุจริตวิจิทโโตทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นความเป็นพระอรหันต์ของท่านของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายนำเครื่องสกสาระทั้งหลายที่มีอยู่ที่ข้าพเจ้ารู้อยู่เห็นอยู่สัมผัสอยู่ทั้งหลายน้อมบูชาอรหันตคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยเสียรกล่าวด้วยการน้อมเครื่องสกสาระเหล่านี้บูชาอรหันตคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงความเป็นพระอริยะเข้าถึงความเป็นพระอรหันตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถอดคิดอย่างนี้นะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมเครื่องสกาละที่มีอยู่ในบริเวณนี้ไม่ว่าจะอาคารสถานที่ดอกไม้ของหอมเครื่องสการะทั้งหลายประดามีที่ข้าพเจ้าละลึกได้และคิดได้ขอบูชาสัมมาสัมพุทธโต ที่ทรงตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอบูชาพระปัญญายาณของพระเจ้าที่แทงตลอดตลอดทุก ข, ขสัจจะด้วยการกําหนดรู้แทงตลอดสมุทัยสัจจะด้วยการละแทงตลอดนิโรธสัจจะด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดมรรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนบริบูรณ์ด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาสัมมาสัมพุทโธนำเครื่องส ก, การะทั้งหลายบูชาสัมมาสัมพุทโธในครั้งนี้ขอใหข้าพเจ้า ได้ความเป็นพุท ธ, ธะตามสัมมาสัมพุท ธ, ธะด้วยเถิด <c oughs> ข้าพเจ้าขอน้อมนําเอาเครื่องสการะทั้งหลายที่มีอยู่ตอหน้าข้าพเจ้าและเครื่องสการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าระลึกอยู่ในใจขอบูชาวิชา8ปจารณาสิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงแล้ว มีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาวิชา8จารณะสิด้วยเครื่องสการาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าน้อมนําไปถวายสการาบูชาขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงวิชาและจารณะที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเข้าถึงด้วยเถิดข้าพเจ้าขอน้อมเครื่องสการาทั้งหลายมีดอกไม้ของหอม อาคารสถานที่สิ่งสวยสดงดงามและอัจริภาพนี้บูชาสุขโตที่พระองค์ทรงสเสด็จไปดีแล้วพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปตามมัชฌิมาปฏิปทาสเสด็จไปถึงอนุปาธาปริญิพานไม่มากับมาเกลือกลัวกิเลสและกองทุกข์อีกด้วยการที่ข้าพเจ้านำเครื่องสการะบูชาพุทธคุณข้อที่วาสุขโตนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการ ได้เข้าถึงอนุปาธาปริญพานที่พระเจ้าเข้าถึงโดยไม่กลับมาเ ก, กือกลัวกิเลสและกองทุกข์อีกด้วยเถิดขอให้พเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงสุขตโตด้วยขอน้อมเครื่องสการะทั้งหลายบรรดามีอยู่ในะบริเวณนี้และที่มีอยู่ทั้งหมดที่พระเจ้าระลึกได้บูชาโลกวิทูน้อมบูชาโลกวิทู พยานปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแทงตลอดทั้งสังขารและโลกสัตวโลกโอกาสโลกโด้วยการบูชาด้เครื่องสการะที่บูชาโล ก, กวิถวนี้ขอให้พระพเจ้ามีส่วนในการรู้แจ้งโลกตามพระพุทธเจ้าด้วยเถิดขอบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นศัทธาเทวมนุษย์ที่เป็น ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกจะเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอบูชาพุทคุณในข้อนี้ของพุทธเจ้าด้วยการบูชาด้วยเครื่องสการะและอัตภาพนี้ขอให้พุทเจ้าจงฝึกข้าพเจ้าจากผู้ที่ไม่มีศรัทธาใมีศรัทธาด้วยเถิดจากผู้ที่ไม่มีความเพียรให้มีความเพียรผู้ไม่มีสติให้มีสติที่ไม่มีสมาธิให้มีสมาธิที่ม่มีปัญญาให้มีปัญญา จากผู้ไม่มีศีลมีศีลผู้ไม่มีสมาธิมีสมาธิผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาด้วยเถิดนี่นะขอยพระเจ้าฝึกข้าพเจ้าเทวยพระพเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมุนทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมเครื่องสักการะทั้งหลายบูชาศาสดาเอกของโลกด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยการบูชานี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าถึงด้วย พระเจ้านั้นเข้าถึงบปพุทธะคือเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยการบูชาพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ขอให้พระเจ้ามีส่วนในการเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้านั้นเข้าถึงภควาจำแนกแก่แจงพระธรรมคําสอนขอให้พระเจ้านั้นแจกศีลสมาธิปัญญาลงสู่กระแสชีวิตของพเจ้าให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตามพระพุทธเจ้าด้วยนี่นะระลึกพุทธคุณให้ชัด อย่างนี้น้อมระลึกไปตามพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปตามลำดับ